หน้ายี่สิบหกครับแต่ก่อ น, น, นที่ท่านสอนจะร่างไร้ฟังนะพอเรียนจำทุกคนท่านทำหลักสูตรค้นวิสัยมาครับหลักสูตการค้นวิสัยนะว่าต้องเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการสอบด้วยนะต้อท่องพิคขูพิคคูนี้ให้ได้นะครับข้ามข้องปากขึ้นใจเลยนะครับท่องข้องอะไรนะเหมือนกับอะไรนะใต้อยู่ปลายนี้นิดนึงนะ นานนั่นเลยนะครับแล้วก็สา ม, มารถวินิจฉัยได้ด้วยนะครับวินิจฉัยว่าอะไรเป็นนามเป็นนามบัตรนะอที่เราถามปัญหากันนะครับสา ม, มารถบอกได้ะครับเขาจะมีด้วยนะคราจะมีรางบัตรให้ด้วยนะคร <c oughs> ับใครสา ม, มารถสอบเขาได้เนี่ยแค่ว่าได้ส่องปฏิโมงแล้ก็เริ่มให้แล้วนะนะใครอะไรพวกคนครับ <c oughs> มียอมยอมเขาบอกแบบวิชาธรรมให้ตัวเบอินเดียครับนะด <c oughs> <c oughs> ว่า เ, เข่ามีไหมนี่ว่าเข่านายจะมีเท่าไหร่นั้นไม่ใช่ที่ไหนก็ให้เรียนที่ไหนก็ไปสอบได้นั้นนะครับขาไม่เกี่ยวรับเขามันไป็อบได้แต่ว่าข้อปิคุบปิคนนีได้มันจะธรรมดานะต้องมีการไม่ิจฉัยได้ด้วยมันับต้องรู้เยื่เหือนกันคุณนี่ก็คือเารการวินิจฉัยเกี่ยวกับในค้าลแหละนะในคัมานะครับแต่ว่าให้ติวต้องมีการเดติวตั้นอะไรกัน มาที่บางสิ่นะแล้วก็ไปสอบกันนะครับนี่ยก็อุอย้ยยากแต่มีอะไรบ้างหรืออาจารย์บอกถ้าต้องการให้ยินส่งมาให้หลักสูตรท่านทำนะท่านกา็จะทําเป็นหนังสือเขียนะที่บายแหละถ้าตอนแรกในผูกศรัทธาให้มีกําลังใจนะใ น, นการศึกษาปฏิบัตินะครับแล้วก็บอกบอกหลักสูตรมาว่าอะไรอะไรอะไรบ้างครับก็จะทําอย่างดีแต่ก็ต้องการได้ก่อนก็ได้ตอนนี้นะะ ท่นยส่งทางอีเมลมาให้นะครับบอกว่าที่ว่าเรามีมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมีนะฮะบ้านเราต้องบอกกันเองต้องบอกท่าไงว่าส่งอีเมลไม่เสียตังค์มันตปางเดใช่ไหมใช่มาต้องเกี่ยวเกี่ยวภัยเกตหรือเปล่าครับยเกษตรอืครับต้องใช่ไหมครับใช้เนขอข้เปิดของเรานี้ก็ต้องตรวนรับใช่ไหมไม่ต้องเอาเขอตกลงมาแล้ว อาอแล้วก็เปิดดูนะครับครับอืใครสนใจนะครับหลับสูตรพอนิสัยน ะ, ะอกอ่าอยุได้ห้าปันขาลักออกไปไหนก็น่าสนะคะ <c oughs> ุครับเราต้องไปถือนิสัยอยู่กับครูบาอาจารย์ครับต้องดดะควนขวานะไม่ใช่ธรรมดานะครับอย่างกันอรูบาอาจารย์ก็ต้องสวนได้ใช่ไหมปฏิโมกก็ได้นะครับนี่ใช้กรรมอะไรก็ได้นะ สามเราเอาตัวรอดได้ น, นะเราไปไหนก็สะดวกไม่ไมีปัญหาเรื่อนกระจดซ้อนได้ เ, <c oughs> เอาตัวรอดได้าแบบว่าไม่ต้องถือนิสัยนะ <c oughs> แต่ว่าจะมีเอาตัวรอดแบบมีที่พึ่งก็ยังไม่เรื่องนะครับมางทีอาจะยังไม่มีที่พึ่งทางใจนี่นะนังไม่มีกรรมฐานาใจยังโลเลยจะเสร็จอะไรงนี้นะนั่นก็ยังไม่รอดนะครับหรือ <c oughs> ว่าไม่รอดอาจจะพ้นนิสัยเฉยนะ แต่ว่ายังไม่มีที่พึ่งและต้องอาใส่กูบาร์จานะครับต่อไปเ้าก็กลับมาดูเลยนะอันนี้ผู้เนฟัง น, <c oughs> นายีหกเมื่อกี้นะครับวิธีทำอวันที่ยากกรรมกรรมทำให้เป็นผู้ทด้ไมุ่มนว่าพิสุนีผู้ชนะพึงสุบประกาศด้วยอนุมัติของพิสุณีสองซึ่งประชุมกันในสำนักพิสุนีว่าไอายเยิโกนามะ อายโยภิกุนีนางอภัสราพิการพเศติเอตสสะอายสสะอวันทียกรนังรุจตีติภิกุนีสังคังบุจชามิทุติยมปีตตติยมปิแม่เจ้าข้าพเจ้าถามภิกุณีสงว่าพระภูติปัญจ้าชื่อโน้นแสดงอาการไม่น่าเลือนสายแก่ภิกุณีทั้งหลายการกระทำพระภูติปัญจ้าเหล่านั้นให้เป็นพวกภิกุณีทั้งหลายไม่พึงว่าชอบใจแก่สหรือ ข้าพเจ้าถามพิษุณี ส, สงฆ์เป็นครั้งที่สองข้าพเจ้าถามพิษุณี ส, สงฆ์เป็นครั้งที่สามอวันทียกรรมอันพิษุณีสงฆ์พึงสูบ ป, ประกาศสามครั้งทํำด้วยปโลกกรรมอย่างนี้จํำแต่นั้นพิสุนั้นอันพิษุณีทั้งหลายไม่ถึงว่าเนี่ยพอข้อรองกรรมนี้แล้วใช่ไหมพิษุณีทั้ทงหลายไม่พึงว่าแล้วเมื่อว่าก็มาทุกข์กดด้วยนะ เพราะว่านะคลงมัตสีกันแล้ว่าฉันไม่ว่าเนี่ยถ้าไปว่านี่ไม่ได้นะครับต้องมาทุกขก่จริงอยู่เมื่อลงแล้วเมืดสมมุติของสองด้วยความไม่เอึดอื้อย่องไป็นอาบัติทีเดีนะครับสมมุติของสองสองสมมติทากติกาใช่ไหมเหมือนกับการรู้กติกาที่สงตั้งไว้แล้วยังขืนเหยียบย่ำฉะนั้นนะครับแม้แต่กติกาสมที่สงตั้งไว้นะแม้จะไม่ได้ทำไปอารมณ์อารมณ์กันกรรมนะครับไม่ได้มีการปารโณกถามสองเลยนะ แต่เป็นการทําำัติกาสงฆ์ทุกคนเห็นด้วยนี่นะครับเป็นกติกาที่ชอบทําด้วยนะอันนั้นก็รวงละเมอไม่ได้นะถ้ารวงละเมอเข้าก็ตามกับทุกกฎเหมือนกันนะครับนี่นะครับไม่ได้เล <c oughs> ต่อไปนะครับถ้าว่าพิสูจนนั้นอันพิสูจนิทั้งหลายไม่ว่าอยู่เ <c oughs> ก่าเคยที่ดี่แล้วต่อป่าขึ้นแล้วก็ระลึกความผิดได้ใช่ไหมอู้นะเขาละอายแตกลัวนะ เนี่ยพิสุรากุลพิสุณีก็ว่าทั้งหมดแต่พอเรานี่ไม่ยอมว่าอย่างนี้นะได้ใจนะครับกระหี่รตปักขึ้นมานะเราพิชชอบไซพิสุณีทั้งหลายอันเธอควรขอโทษเนี่ยก็ต้องขอโทษพิสุณีทั้งหลายนะครับเมื่อจะขอโทษไม่ควรไปสู่สำนักพิษุณีไม่ต้องเดินทางไปขอโทษสิ่งสำนักเขานะควรเข้าไปหาสงฆ์หรือคณะหรือพิสุรูปหนึ่งก็ได้ในวิหารนั่นเองครับเข้าไปเลยนะนั่งกะโยงบน ขอมัญชลี่ยขอโทษว่าถ้านพุจธเจริญก็พระเจ้าพิจารณาแล้วจะตั้งอยู่ในสังวรต่อไปจกไม่แสดงอาก า, ารไม่น่ารื้อสายอีกขอพิสุณีสงจบบทโทษแก่พขพระเจ้าเถอดสงหรือคณะนั้นนะครับเพิงส่งพิสุรูปหนึ่งไปถ้าว่าเข้าไปขอขมาพิสุณีงต่อนหน้าสมงคณะใช่ไหมส่งคณะก็ส่งตัวแทนไปรูปหนึ่งไปสู่สำนักพิสุนีนะครับ หรือพิสูรรูปหนึ่งนั้นพึงไปเองทีเดียวแล้วกล่าวกับพิษุนีทั้งหลายว่าพิสุนี้พิจารณาแล้วตั้งอยู่ในสังวรต่อไปพิสูนี้สารภาพโทษแล้วขอโทษพิษุนีสงขอพิษุนีสงจงทําพิสุนี้ให้เป็นผู้อันตนพึงว่าเถิดครับพิษุนีทั้งหลายนี่ก็จะรับเน่ากรรนะแก่พิสูุนั้นนะพิสูรนั้นอันพิสุนีสงพึงทําให้เป็นผู้อันตนพึงว่าเลย ก็แล้วเมื่อจะทําคื่อทาอย่างนี้พิสุนีผู้ชราเพื่สวดประกาศโดยอนุมากของพิษุนีสงผู้ประชุมกันในสำนักพิษุนีว่าอาเยสุโกนามาอโยพิคุนีนํงอปัสสะอปัสสะธิกรรมพระเสด็จพิคุนีสังเคนาวันทิโยกโตสงราชิธรรมอกมิตวาปฏิสังขาอายติสงสาวเรสิโตอาเจยามเทเสตวา พิคุนิสังคำเข้ามาเปติตาสะอายะสะวันทียกระณังรุจตีติพิคุนิสังคำขุชาไมทุติยปีตตาติยปีไม่เจ้าขา้าวเจ้าถามพิษุณีสงว่าพระเป็นเจ้าชื่อนุนในอาการไม่น่าเึื่องสแก่พิสุ น, นทั้งหลายพระเป็นเจ้านั้นอันพิสุนีนสงทําให้เป็นผู้อันตนไม่คุ้ว่าแล้วยังลงสู่รชีทําและพิจารณาแล้วตั้งอยู่ในสังวรต่อไป สารภาพโทษแล้ ว, พพลวขอโทษพิสุณีสงฆ์อยู่การทำพระบุเป็นเจ้านะั้นให้เป็นผู้อันพิสุนีทั้งหลายพึงว่าชอบใจแกสงฆ์หรือแม้พระริศก็เหมือนเดิมแม้พระริศก็ท้าก็เหมือนเดิมครับพิสุนนั้นอันพิสุณีสงฆ์พึงทาให้เป็นผู้อานตนพึงว่าด้วยปรุกนักกรรมนั่นแหละอย่างนั้นครับก็ชื่อว่ากรรมลักษณะครับ ทำไม ช, อมไมชอม <c oughs> ้อนแกหายเลยช้อนแบบาั้นแต่หายเยอะหลุดไปนะครับกรรมลักษณะไม่ไดิชยครับถ้าบอกว่าก็ในกรรมว่างนี้พึงทราบไม่ไดิฉัยในกรรมลักษณะแม้ที่พ้นจากมาปีหลังขยายความว่าขึ้นชื่อว่ากรรมลักษณะทรงบัญญัติมีพิสุนีสองเป็นมูล แต่ก็ย่อมใช้ได้ทั้งแก่พิสุส่งสด้วยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะพิสุนสงฆ์หน้าที่ทํากรรมลนะักษณะได้แม้พิสุสก็ทำได้นะครับไม่ใช่เฉพาะอวัธยกรรมนะแม้กรรมปุจจิก็ยังทําอัปโรได้เนกันนะครับเนื่องจากว่าพิสุส่งทำอัปโรกานกรรมใดในลงแจกสลากลงแจกยาคูลงแจกผ้าแล่ล ง, ลลงบวชสดอัปโรกานกรรมแม้นะั้น ก็เป็นกรรมลักษณะได้เช่นกั น, นครับพราสมัยก่อนเข้าสมุสีมาทั้งวัดอย่างเนี้ยนะเป็นสีมาเหมือนเลยเขาก็มันจะเป็นต้องเข้าไปในโบสถ์ใช่ไหม mm. ก็ทาอภิรกรกรรมกันนะครับในโรงแจกศนโรงแจกยาคูรองพัดหอวขันอย่างงี้นี่ยเลยนะทําปรกต่อที่นั่นได้เลยครับนี่ก็ได้ในหลวงวสุนก็ได้ก็เป็นกรรมลักษณะได้เช่นกัน อันการที่ผู้สุขผู้ชนะให้ประชุมสองแล้วนะครับในสถานที่ดังกล่าวเอาว่าขอฉันเป็นต้นนี้นะชุบอากาศถึงครั้งที่สามทางอภรรยาณกรรมให้จีวร์แก่ผู้ทุกข์หายผู้มีจีวร์ถึงโจนชิงใช่ไหมถ้ามีจีวงถูกโจนชิงไปแล้วไมมีภาาใส่นะครับเนี่ยไปคว้าผ้าอะไรมานุ่มก่อนนี่ยนะครับมีจีวังเก่าและมีจีว์ผู้มีจีวงเสียหายจีว์ท่านเก่านะ จะขาดจะเสียแล้วนะครับอย่างนี้นะหรือว่ามีจีวรเสียาหายถูกหนูขวกหนู ก, กัดขวกกัดไปไม่อยนี้นะครับก็ส่งฆ์ท่านก็หาจีวที่อยู่ไม่ได้แล้วนะสมฆ์ก็ให้ความพรับอผิดชอบนะจะมอบผ้าจวของสองให้ท่านก็จะมีการทอกระบวนการให้นะครับย่อมพวจนก็เป็นกรรมลักษณะนี้เหมือนกันด้วยว่านะครับเมือ่อพระสงค์ทั้งหมดประชุมกันในเอกสานที่ดังกล่าวดังกล่าวนั้นแล้วนะครับ เพรเป็นที่สาธารณะใช่ไหมลูกของฉานเป็นตน้นนะครับการย่อมไม่เป็นปนะรันรด ก, กรด้วยเยยวยรพราะจะมาเข้าไปทั้งหมดนะแม้ที่สุดที่จะติดเตียงบนว่าภายหลังว่าเราไม่ได้รู้เรื่องนั้นด้วยเลยดังนี้ย่อไม่มีด้วยนะครับเพราะว่าไปกำหนดในที่สาธาราะนี้นะครับแต่เมื่อทําในขันทสีมาเข้าไปในเขตสีมาเลยใช่ไหมย่อจะมีการติดเตียงบนวา่าได้ เพราะไม่ได้เข้าร่วมร่ำรู้ทุลูกนะครับมีเฉพาะบางบางองเข้าไปานี่นะเนีนยมันเข้าไปทั้งหมดเพราะยึดติดกันได้มีเหตุผลว่าเมื่อจะประหลอดให้ปัจจัยของสองแก่พิสุทผู้มีจีวรถุกจดชิงไปเป็นต้นควรที่จะทําเวรถือเอาแตาอ่อนุมัตของพิสุทธ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในประจารณสีมานะครับพราะว่าจะจอของสองฆ์ให้พิสุท่า์รูปหนึ่งใช่ไหมก็ต้องเอาพาหิช่อของปรสงค์ในวัดทั้งหมดนะครับ คือเขตว่าที่ได้ผูกเป็นมหาสีมาไว้โดยแท้ส่วนกรณีที่มิวิสาพานข้ามคนคอยฆ่าอัปโปลกที่เป็นทอม น, นะครับการออกไปทําภายนุกประจราสีมาหรือเข้าไปทําในขันท่สีมาก็ควรมิวิสาพาข้ามคนไม่คถูกกับรูปนี้นะถ้าก็มีจีวังเก่าข่าหัวแล้วนะครับควรจะให้ท่านแต่รูปนี้เป็นคู่อะไรนะร่นะใครคู่และ คู่เวน่าหรือไม่ชอบใจรูปนี้อย่างมากครับยังไงก็จะห่ามขัดขวางัดค้างกำนี้นะครับเนี่ยก็จะแอบเข้าไปทําในขั้นตั้งชีวิก็ได้นะไม่รู้นั้นรู้นะครับใช้ได้เหมือนกันแต่ของเล็กน้อยมีเข็มเป็นต้นมีประกาซึ่งกาวได้ในสินาธิการสินะขาบอนาณาอันพิจูพูแจกของเล็กน้อยแม้ไม่พะโลกก็ให้นะครับแก่พิจุพูทําจีวรได้การชหน้าที่แจกของแม้แต่เป็นของสงนะ ถ้าเป็นของส่งของเล็กน้อยก็ยังให้ได้ไม่เยอะนะครับเข็มเล่มหนึง่งมีดเล่มหนึง่งใช่ไหมอะไรอีกะ่ปะปากกเอวใช่ไหมครับข้าวสารกำมือหนึ่งอ่างนี้นะอารว่า ม, มีได้นะของเล็กเล็กน้อยก็ให้ได้ครับ <c oughs> แม้ไม่กระโลงนะครับก็ให้เกศพิสุผู้ทําจีวรได้พิสุผู้แ จ, จกของเล็กน้อยอเท่านั้นเป็นใหญ่ ในการให้ของเล็กน้อยหล่อ น, น, นะครับหน้าที่นัะนเป็นใหญ่แต่เมื่อใช้ของที่เกินกว่านั้นต้องกระโหลกทห้นี่นะถ้ามาขอได้ น, นะครับหนึ่งหลอดได้หนึ่งร้อยก็ได้เล็กน้อยใช่ไหมแต่ขอสักสิบหลออย่างนี้น่ะไม่ได้นะครับกระโหลกถ้าขอเยอะๆเยอะมาก ๆ, ากๆานี่ยฮะก็ปโหลกฐามสมว่าสอางชอ่องฟันนะครับขอสองชุดสองสองใช่ไหมหนึ่งชุดนะครับชุดละสองพัน ใช้หาปัจจัยสงหาไีมเนี่ยมันเยอะแล้วใช่ไหมครับนะก็ต้องผโลถางสงเพราะว่าสงเป็นใหญ่ในการให้ของที่เกินป่านั้นแม้ที่ราหน้าเพสันนะครับยาสาหรับคนไข้นะซึ่งมีประการดังกล่าวและนิยามลัรษณะกรรมวานานันะอนุสุขผู้แจกของเล็กน้อยพึงให้เองก็ได้เพื่อรโลให้แก่ผิ้สุผู้ต้องการมากนะครับก็ให้น้าพึ่งใช่ไห น้ำพึ่งง่ายหน่อยในอะไรนะในไซส์ในข้นก็ให้ได้ส่วนหนึ่งนะแต่ไม่เยอะมากแต่ถ้าจะให้เยอะๆนะเขาจะขอเป็นธนาอะอย่างนี้น่ะผมต้องการน้ำพึ่งหนึ่งธนาเพราะโอ้มันเยอะนะไม่ได้ครับเอาผมแค่สิบขวดนะผมอะผ้าขอแค่สิบขวดไปตุนได้ได้นรัะอย่างนั้นเยอะเกินวันแรกขอหนึ่งขวดให้ได้นะ ตอนต่อมัเขาขออีกขอถ้าขอเยอะๆนี้ไม่ได้ต้องกระกถักส่งเอาไปในช่องของส่งนะครับเนี่ยท่านจะพูดถึงนะว่าทํำยังไงครับก็แต่ว่าพี่สุดใดไม่มีกําลังก็ดีนะครับถ้าจะแบบป่วยมีโรคอะไรเมื่อยากไม่มีเรี้ยวแรงเลยนะบิดาบ่าไม่ได้นะครับเป็นง่อยก็ดีขาดทางพิษข า, าจางก็ดีสายบิดาบาทั้งขาทั้งไปไม่ได้เลยนะครับมันเกิดน้าท่วมอะไรก็แล้วแต่นะ อ า, าพาธหนักก็ดีป่วยหนักครับแนวว่าใหญ่ทั้งหลายสําหรับที่สูนั้นเมื่อจะให้เข้าสาธหนึ่งธนานหรือกึ่งธนานทุกทุกวันนะครับพออยากจะให้เป็นไปได้เนี่ยนะให้วล ธ, ธนาธนาธนาทุกวันเลยนะครับหรือใช้ให้เข้าสาธห้าธนานหรือสิบธนานให้เยอะๆเลยทีเดียวนะครับเฉพาะวันเดียวซึ่งพอจะอยากจะให้เป็นไปได้ถึงสิบวันหรือยี่สิบวันนะครับ จากปัจจัยที่เกิดในอาว่างใหญ่นะั้นต้องทำประโยชนะ์นั่นทำให้หนะครับเพราะถ้าเป็นทนานถือว่าเยอะแล้วนะเรียบธรรมดาก็ต้องประโยชน์ให้นะครับนะครับต่อไปนะ <c oughs> ต่อไปไอผมจะพูดอะไรลืมไปแล้วไม่เปนไรนะครับให้ข้อสามนั่นทนาน <c oughs> อ่าการให้วัตถุสลัดใช้นี่จากปัจจัยที่เกิดในอาว่านะ เกิดภาพที่หนึ่งท่านเป็นนี้นะครับพระสงฆ์ก็จะเอาปัจจัยสงฆ์นั่นแหละนะที่ของที่เกิดที่นในวัดที่ช่องทำนะครับไปช่วยใช้นี้ท่านเนี่ยก็ต้องประหลงกันช่วยใช้นี้แก่ิุผู้มีศีลเป็นที่รักก็ดีนะครับก็น่าเอาของสงฆ์มาไปช่วยใช้นี่นะคะรับปัจจัยที่เกิดในว่านั้นต้องเอาความอย่ช่องสงฆ์จะให้เสนสนะที่ไม่ต้องย้างแก่ผิ้มีผู้เป็นผู้หงสูน ผู้ช่วยภาลัณของสมบูณดีได้นะครับสมมติมาเลยถ้าไม่ต้องย้ายถ้าไปครูบาอาจารย์ใช่ไหมถ้าย้ายก็ลำบากสมมติถ้าอยู่ประจำเปนนี้าเลยนะครับไม่ต้องย้ายสตินี้ก็ได้นะคนือเยอะมีหนังสือเยอะคนะกตู้ละสองตู้สามตู้ใช่ไหมผมสบายหมูภาละนะครับาเกหนังสือนะอยังไม่หมดดียงเดียวหน่อ ย, ยอ จ, อจะสอนจบนจะสอกลับไปหมดเลยครับ ผ่านแะล้วนะต่อไปนะครับแล้วก็จะให้จะให้เบีย้ยเรี้ยงแกแ่อะไรไม่แก่ชนก็นดีแล้วพวกคนวัาช่วยทํางานสงขยันขันแข็งข น, นะครับเขาต้องใช้่ไหมแล้วก็ให้เบียเ้ยเี้ก็ได้ต้องประหลอดฐานสนกันนะครับกับ ป, ปิยากาลเป็นต้นผู้ทำผิดของสงก็ดีควรให้ด้วยประโลอดกำังกรรมเท่านะั้นนะครับต้องประหลอดให้นะขอเยอะนะครับ เมื่อก่อนอะไรนะั้นโยกมขอค่าน้ำมันสี่พันอย่างนี้นะครับนั้นก็ตอบประหลบให้นะขอราคาน้ำมันของโยกนนะ <c oughs> ี่นะอันหนึ่งวัตถุเดี๋ยวนะวัตถุสำหรับใช้นี่นะั้นใช้สูตรทั้งหลายเมื่อกี้คุอ่านได้ยัง <c oughs> ผู้ทําูตรขอสงก็ดีแล้วก็ควรให้ด้วยประล ก, กนกักรรมเท่านั้นอันหนึ่งวัตถุสําหรับใช้นี่นะั้น ใช้อยู่เท่าไหร่คุณขนมกับพิยาพันธ์อันสมควรแต่ประมาณนะครับว่าจะให้ได้ประมาณไหน่นะเออส่วช่วยใช้เนี่ยท่านอย่างมากห้าพันห้าพันก็เยอะแล้วใช่ไหมท่านเป็นหนี้สี่หมื่นนี่นะโอ้ไปติดหนี้อะไรนะท่านสี่หมื่นแต่ว่าช่วยใช้อย่างมากการเรียนใช่ไหมครับไม่รู้ท่านจ่ายไปถึงแค่ไหนนะผมนีไม่ใช้ช่วยเท่าไหร่ เนี่ยวามจริงก็ช่วยได้ปรุงต้กรรมงใช้ปจัจจัยสองช่วยได้ก็พอประมาณครับนี่นะมีอุปการะเป็นที่สุดผู้มีสิทเป็นที่รักนะครับมีอุปการะแก่พระศาสนาซึ่งถูกพวกเจ้าหนี้ติดหนัทวงอยู่นะครับฉันก็ท้ทวงหรือส่งจดหมายไอยู่เรื่ อ, อยนี่นะส่วนกรณีที่เป็นหนี้มากเป็นพันเป็นแสนโอ้เป็นพันนี่เขาถือว่ามากเลยเนี่ยแล้วให้ตั้ค่า แต่ยังไม่เคยไม่ใช่นะเป็นแสเป็นนี่ยังเป็นเป็นเป็นคราว่าแล้วเป็นผ้าอ๋อเป็นตอนเป็นคาราว่านะคะแล้วก็เป็นผ้าแล้วก็อย่างพันนี้ถ้ามีนี่ในบวชไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าบวชไปแล้วก็ถือว่าบวชขึ้นนะบวชขึ้นนะครับอ๋อเป็นนี่ตอนภา็นาก็ได้นะเป็นเจ้ามากแล้วก็ไปเบิกอะไรมาก่อสมัยนี้นะครับแล้วก็แบบเป็นนงเป็นนี่อะไรใช่ไหาแล้วก็จ่ายนะ ไปเบียยเขาไม่ได้อันตรายนะครับเดี๋ยวตีราคาปากอาบัตนะครับไปเบี้คเขบเนี่ยท่านก็ต้องจ่านะครับไปเอายาไปเอาซายมันตองยากอย่าเงี้ยยากนะครับเปจูงเขาก็อย่างี้ครับเดี๋ยวแล้วมัเ้าหลายบ้านอครับเขาหน้าจะเข็นนะพูนะเขาหน้าจะเข็นเจ้าต้องมองตาครับเดี๋ยวโยงมาเพื่อยู่ม่ยอมพัฒนา โการกาั่งเกางซาเพราะจากว่าจีมีความคิดนี้ไม่เช่ทุลุ่มนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะลักษณะนี้ใช่ไ้มครัจบจากว่าผู้การเกาะซ่าลำบากเดต่อไปนะอภิสูตทั้งหมดคนช่วยกันสวสายหายกับปิยพันธ์ด้วยพิกาุจาราวัตนแล้วให้แกอภิสู่ผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวแล้วก็บินเบี้ยมาช่วยท่านใช้นี่นะครับมินเบี้มาอะไรแล้วก็เอา เอาบิาบาให้ยบาพระิกรรมเปลี<ม>่ยนเป็นกับปอบวรนาไปใช้นี่อย่างงี้นะโอ้ยกครับขนานั้น <c oughs> แต่พเราสมัยนี้ไม่ค่อยขาดแค่ได้ทาบิดาบาใช่ไหมเดเด็ไม่เคยม่ยังยงไม่เคยปกา่าคนที่มาบวชเเป็นดีแล้วไม่เคยไม่เคยไปใช้เลย<อ>ไม่เคยนะครับต้องใช่ใชไหมครับ สนมาราจะเป็นภาระที่อยู่ข้างบ้านอยู่ที่บ้านนะครับอ๋อส่วนใหญ่จะไม่ไม่ไม่ค่อยตาใช้หรืครับแค้ที่บ้านนะให้รู้ให้เมียครับผชอบไปใช่ไหมเลยก็เอาตัวรองคนเดียวส่วนใหญ่จะเจเป็นอย่างนี้ยใช่ไมครับไอทีอทีมันไม่มีอครับทีไม่มีบอกว่าจะทงไงถ้ามันรู้จะทำยังไงนะเกิเป็นติดหนี้อะไรเป็นหมือนล้านะครับกิไปออกรง <c oughs> นี่ก็ม่ของมอเตอร์ไซค์มาอย่างางี้นะแล้วก็มาบัวยังจ่ายไม่หมดเลยนะครับข<พ>อเข้ามาอย่างนี้นะนเป็นฟลรรานของพ่อแม่ที่นไปปลอยใหายึดคืนไปเด้อเนี่นะเข้าไปายดคืนมาแต่ตอนนี้มเหตุการณ์อย่างนี ได้ถ uh, kind of e yeah. right. okay. ้าท่านเป็นอผู้มีศีลเป็นที่ร่านะครับอยู่ปากการะกับพระศาสนาก็ทามสงส์เห็นชอบไหมสงส์นี้ชอบก็ช่วยได้นะครับถ้าส่วนตัวก็คืช่วยได้อยูแล้วไม่มีปัญหานะครับนะครับต่อไปนาจครับถ้าเกิดว่าตอนเป็นหนี้กองผู้มีศีลเป็่ที่รักตอนที่เรียนมาแล้วมากกว่านี้จะได้ครับบวนอัน ไปเนี่ยอุปชาเขจะมีโทษเพราะเป็นคนที่ไม่ควรให้บวชเป็นคนมีหนี้นะแต่ถ้าคนนั้นเขาอุปชาก็ไม่ได้ส่ใจให้บวชไปแรกใช่ไห ม, มก็ถือว่าเป็นอันบวชนะเป็นผ้าเ่ะก็ไม่ต้องเสือเราแต่ก็ต้องใช่นี่นะ่นนะใช้นี่คืนก้าวแหละให้หมดไปหาวิธีทางก็แล้วกันนะสแตจที่ทงก็คือเขาก็มีเพื่อนลูกนั้นลูกนี้คอยช่วยใช่ไหม อ, อามบวนะครับเป็นตัวช่วยกี่เดือนเราหน้าไปเนี่ย เดือนละกี่้อยครับจ่ายเจ็แปดร้อยใช่ไหมสี่หมื่นต้องจ่ายกี่เดือน <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้ว่าจะกี่หมื่นนะ <c oughs> สามหมื่นรั้ <c oughs> ผมไม่ถึงไม่ถึงก <c oughs> ้มไม่หนัเหือนเัาสามหมื่นอะไรอย่งมากนี่นะคุยถ้ายากให้มันช่วยให้ที่นี่แล้วก็ต้องทองา่าต่อไปนะครับอันนี้ได้แ้นี้ได้นะ้ ครับจะให้บำรุงอาว่าสงสงโดยใช้ปัจจัยที่เกิดขึ้นในอาวานะ่านั้นซึ่งทายุทธวายไว้เนื่องกับปัจจัยสีก็ควรนะรับบำรุงอาวานะ่าใช่ไหมเซาะแซงกุฏิที่อยู่ในาะนั้นฉะนั้นทํานี้ขึ้นมานอย่างนะี้นะด้วยปัจจัยทายุทถวายเปิดกับย่าพัน์นะครับเข้าถวายเพื่อปัจจัยสีทุกอย่างเลยนะครับได้ น, นะครับ แต่เพื่อตักคาติเตียนครับว่าที่สุนี้ย่อมจัด ก, การด้วยถือว่าตนเป็นใหญ่จึงควรถามสงฆ์ที่ในโรงศึกษาเป็นต้นในที่ประชุมอื่นเสียงก่อนจึงให้บังรุ่มนะครับเพราะงี้ก็ถ้าจะทำเองไปก็ได้นะเป็เจ้าว่าเป็นอาลัจจารีใช่ไหมแต่ก็ควรที่จะถามสงฆ์ก่อนป้องกันการตำหนิตนิเตียนทีจะว่าที่นายครับว่าลูกนี้ทาตัวถือว่าเป็นใหญ่มันใช้ปัจเจศเอาไปทํานี้ใช่ไหม ควรที่จะฝหลงก่อนอาว่าอันพิสุผู้ชนาเพืนออับโลงและให้บำรุงนะครับแม้จากปัจจัยส่งที่เกิดขึ้นในอาว่านะั้นซึ่งทา ย, ยกเจาะโจงถวายเพื่อประโยชน์แก่จีวรและบิดบาตแม้จะไม่อปบโลงก็ควรเนี่ยเขเทวะแล้เพื่อาหาจีวรมิดาบาตให้พัะนะแต่ว่าสนัสนะนํนนชาชํารุดเสียหายต้อง่องสซงต้องบำรุงใช่ไหมเราจะน้อมปัจจัยดิขเทวะเพื่อจีวรและบิดาบาตเข้ามาหาสายนัสนี้ได้ เพราะว่าสิทธิเนี่ยฉันเขาหนักกว่านะแม้จะแม่เปโลก็ยังควรเลยนะครับแต่เพื่อตัดคําติดเตี้ยซึ่งเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพิสูจนนี้กล้าจริงนะเนี่ยถ้าแม่เปโลไม่บอกความสงฆ์ใช่ไหมก็ย่าโดนติดเตียนะครับเพราะนั่นควรเปโลให้บอรุงอารว่าจากปัจจัยที่ทอาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่กิวรและบิทธบาจึงควรทําอาเปโลกันตะกรอบก่อนแล้วจึงให้บอรุง เมื่อทําฉานหรือไยทีที่เจดีภไยทีคืออไรครับคือฐาวนบวอมวงหายใช่ไหมครับส่ใวใหจะเจอที่ว่าพุทโธนะมันจะมีฐานทนะครับแล้วก็ทําเป็นลักษณะวบวอมวงหายคือเรียกว่าไพทีนะครับนี่ถ้าเจดีมีนะหรือเรือนพอนะครับหรือเรือนพระปฏิมาสิ่งที่ยังไม่ไําก็ดีนะครับทําขึ้นมานะที่เรือนพหรือพระเจดี JD พระปฏิมานะครับ จะปฏิสังขอสิ่งที่ซุกโสมก็ดีจะทําการงานด้วยคุณขานก็ดีนะครับเชิญชวนผู้ชาวมากช่วยทําก็ควรเนี่ยนะก็ไป่ชิญชาวมากมาช่วยท ำ, นะยาายทำ ง, งานกุศลถ้าไม่มีผูท้ทําพึงให้ทําจากรายได้ที่พวกกับปริยากาเราช่วยกำประกอบไว้เพื่อเจดีย์เพราะงานสนหับเจดียใช่ไหมเราก็ปัจใจเจดียมาทําเพื่อเจดียนะครับแม้เมื่อรายได้ไม่มีก็คงทํำปรกนกรรม แล้วให้จากคํา่างปัจจัยที่เกิดในอาว่านั้นะนะครับเราจ ะ, ะาเอาปฏิทักษ์สวายสงไปช่วยดิเจดียได้ไหมครับได้นะนะแต่จะเอาปัจจัยที่ของเจดีเน่ะมาใส่เข้าไปในสงของไม่ได้นะครับเจดี JD ถือว่าเป็นของสูงด้างความคลองลบนะครับเขาเจาะจงที่พวกเจาก้าใช่ไหมเอาของสองไปช่วยยินดีได้นะแต่ของเจดีมาเนี่ยนะไม่ได้นะครับนะครับ แล้วก็จ่าประหลงและกระทำกิจนะของเจดีแม้ด้วยปัจจัยของสงก็ควรนะจ่าประหลงทกิจของสงด้วยปัจจัยของเจดีหาควรไหมไม่นะครับแต่จะถือเอาเป็นของยืมเนี่ยได้อยู่แล้วใช้คืนให้อย่างเดิมควรอยู่นะครับเ <c oughs> ยอะมากจริงจรนี่ก็เป็นของยืมนะครับแต่การที่พิสูจน์ทั้งหลายผู้ทําการงานด้วยปุ่ขาเป็นต้นที่เจดี เนี่ยนะ้าพิสุก็ไปทํางานด้วคุณขาตอะไรนะ่ะ<ม>ไปทาสีไปบกไปชาไปก่อแล้วกนะ็แต่ที่เจดีนะครับเมืองไม่ได้อาหารจากพิขาจารถ้าอยากทำทั้งเช้าทั้งบ่งายทั้งเงย็นเนี่ยนะาก็บินทะบาไม่สะดวกหรือบินทะบาทก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องมาทํางานตรงนี้นะ่ะหรือจากสงพอได้อย่างตะไครเป็นไปแต่ถ้าไม่ได้นะครับจะถือเอาอาหารพออยางตะไครเป็นไป จากปัจจัยของเจดีมาฉันกะทำว่าถุดแทนก็ควรนะครับแล้วก็ปัจจัยของเจดีเนี่ยให้ชายออวัยยาไปหาอาหารมานะแล้วก็มาฉันกันพอประมาณนะครับให้แต่ผ้าทิไปได้แล้วก็ไปทํางานที่เจดีน่ะก็อะไรนิดหน่อยนะี่นะแต่ถึงกับจะให้ทำอาหารทานด้วยปลาและเนื้อเป็นต้นมากมายเหมือนกับทําสรรพภพัณฑ์ได้างว่า เราทําวัดหาคนใหม่นะครับก็เลี้ยงกันเหย่ยหน้าดูเลยนะครับเนื้อนมไข่พวกหมูพวกอะไรโอ้ยผมทําวัดดีเจดีเอาปัจจัยดีๆมาใช้ได้ <laughs> เลี้ยงดูกันอย่างดีเลยนะครับเลี้งไม่ได้นะแต่พอให้ทรานไปได้นะครับอันนี้พูดถึงเพียงการทำงานทํางานด้วยใจนะครับเสียสละเพื่อสุดโ ม, ม่พวกอะไรขั้นหน่อนะเดี๋ืองผมเริ่าเดืองเลย สอนหนึ่งวงเองนะแปลกถ้าสมัยผมเรียนผมสงกมาแล้วนั่นคือเรียนกันคืนไม่ได้การร้มีปัญหาเรียนได้แปลนะเรีนคนที่เนกานคืนไม่ได้เกี่ยวกับทํางานถ้าเราทํางานด้วยใจรักนะเสียสละเพื่อสมวนรวงเห็นอันนี้สองเห็นประโยชน์ของการทํางานตรงนี้นะครับมันก็จะมีความสุขการทํางานใช่ไหมไปทํางานจุดไหนนะครับมันก็จะไม่รู้สึกว่าเสียเปรียบเราถ้าเราด้วยใจรักนะ ออนึกถึงปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ในแต่ละพระชาตินะครับที่พร้อมสมเพ็นบาลามีใช่ไหมไม่แต่การเสียสนามเท่า น, นั้นเลยนะครับไม่มีการเกี่ยวงองเลยนะสนามประโยแนแรงพลังกําลังนะครับสละทรัพย์สมบัติข้าของต่างใช่ไหมแม้แต่บุตรภรยานะครับสนามอวัยวะแม้แตะทั่สนามชีวิตนะเพื่อประโยชน์สึกแกมหาชนนะครับจะมีการเสียสนาหมดเลยไม่มีการคิดว่าตัวเองเสียเปรียบในนี้นะ มันมีแต่ได้อ่นะครับถ้าเราทำํำกุศลอยู่นะแล้วเราคิดว่าเสียเปียกเนะี่ยมันเป็นความคิดที่ผิดจยางมากเลยนะครับการทำํำกุศลไม่มีความว่าเสียเปรียกหรอกมมีได้เปียกนั่นแหละใช่ไหมยิ่งทํามากยิ่งได้เสียไม่มีคำวามมา่างั้งนะครับเหนื่อยก็พักหมดเวลาก็เลิกมีแรงก็มาทําใหม่ทําไม่ไหวก็ช่วงชวนคนอื่นมาช่วยทําเป็นการช่วยชวนการทำกุศนะครับไม่ใช่บีบคอคนระั <c oughs> ไม่ใช่นะครับถ้าว่าตัวเองคําแล้วนะ่ะมันเกิดอกุศลเนี่ยรู้สึกว่าเสียเปรียบใช่ไหมมันเสียนะครับอย่งางแรกมันเสียแรงใช่ไหมแล้วมันก็เสียความรู้สึกเป็นอกุศลขาดทุนทตรงนั้นนะครับอย่างนี้เรามาขาดทุนจริงเดี๋ยถ้าเราทาแล้วถ้าเราทำด้วยใจรังนะแล้วใจเรานะก็เป็นอกุศลด้วยนะครับอย่างนี้มีแต่ได้อต่ได้จริงจริงมีแต่ได้ น, นั้นนะมาอยู่แค่นี้เดียร์ลาโยนิสุหรืออาโยนิสุนะครับ เราเราโยนิโศใสยใจเป็นนะครับมันก็มีแต่กุศล น, นะครับทําความสุขทําไปนะแต่เราก็มีความสุขเป็นประโยชน์แย่สงสมวงมนู่นไงครับโยนิโศได้ท่าเรียกว่าทําอย่างนี้นะเสียสนะด้วยใจที่เป็นกุศล น, นะครับถ้ า, า, าด้วยเสียสนะด้วยใจที่เป็นกุศลเป็นนะเราไปทําอะไรก็ส ะ, สะดวกนั่ น, นครับไม่รู้สึกว่าเสียเสียงผมเคยไปที่ของพวกหมอเขียนนะผมไปหมอเคไร่เนี่ยนะผมไปรู้สึกดีทุกทีเลยนะ รู้ถึงว่านีนเขาเสียสละนะครับทุกอย่างไม่ขี้เงินขี้ทองเลยใช่ไหมเสียสละแรงการแรงใจเสียสละเวลานะไม่เอาอะไรจากคนอื่นเลยนะครับแต่เขาไม่เคยรู้สึกว่าเสียสติ เ, เลย เ, าเ้าถือว่าเป็นการเพิ่บารมีเขาถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ใช่ไหมเพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกคนนะครับนี่นะเนี่ยขนาดโยงนะเขายังคิดได้นะ <c oughs> เนี่ยข้าเราต้องยิ่งคิดนะครับมีอยู่ที่จิตใจนะที่ยอาสูงส่งแค่ไหนนะครับ แล้วอยู่ที่การปลุกสังสังคมสื่อแม่แล็อกแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันทั้งใจคิกษากันนะครับแต่ดีขอให้เราโยนโสถูกคนัฒนธรรมเราจะมีความสุขเราจะไปทําตําแหน่งก็แลแ้วแต่มันจะไม่รู้สึกว่าเสียเสียนะครับถ้าเราอาจารย์อนุทัยบอกว่าถ้าเราเห็นว่ า, าดีทําไปเลยครับตรงจุดไหนที่ไหนก็แล้วแต่นะเราเห็นว่ า, าดีทําไปเลยที่เป็นษษเป็นประโยชน์โดยรวมนะครับ ไม่ต้องไปเรียกร้องไปโวยวายมองหาใครนะครับทำไปเล ย, ยนี่ก็มีแต่ได้กั่ได้มีเสียหรอกโับสีต้องคุยเรื่องนี้บ้างใช่ไหมแอ่ ไ, ได้ ร, รักษาคือคิดไม่ได้เรืร่อยๆนี่นะพูดท่านหน่อย <c oughs> นึกถึงปฏิปท า, าจะเล่าลากันหน่อยอย่างเล่าหน้าถ้ายิดเป็นสมมาเนน่ะเรื่องพวกนี้นะครับจะจะได้เสียสนามานมาสัมมาเนนเสียสนามยิ่งกว่าผ้านนะ หลายอย่างที่พระทำไม่ได้เนยต้องทําหมดเลยนะคะรับวาฬประจําก็ต้องทํากัปปิยะก็ไปลองไปทํางานนี่แหละเยอะนะครับเสี่คนที่เขาได้แต่เป็นเนยบันทีได้เปรียบเรื่องนี้นะแต่ถูกปลูกฝังเรื่องการเสียสละนี่เยอะมากเลยพอก็ต้องเสียสละหลายอย่างใช่ไหมแม่บวชเป็นผ้า น, นะครับพอไปทํางานอะไรเนี่ยเขาจะไม่หมชไม่อู้ถึงแม้คนอื่นเขาไม่ทํำนะก็สามาจะทําให้ใจที่เป็นกุศลได้ก็เคยถูกปลูกฟังมันอย่างนี้นะครับ ย้อนสมัยที่ผมเคยอยู่วัดห้าโอ้แล้วกัน น, นั้นน่ะอ่าเวลาฉานนี่ยเขาจะฉันเป็นถ้วยมันถ้วยใช่ไหมเขาไม่ได้ฉนันในบานอย่างงี้นะครับถ้วยเขาจะเตรียมไว้นะครับแล้วฉนันเสร็จใครล้างถ้วยะครับถ้าในทั้งหมดในรูปสามสิบในวัดสามสิบรูปนะเขาจะให้เนลายนะครับเป็นกะละมังหลายโอ้โ ห, โหเป็นกองอะไรนี่ว่าเยอะเลยน ะ, ะจาชทางนะครับในต้องล้างกันหมดเลยล้างจนเนี่ย ตีนักทั้งท้องเรียนนะครับยังสดุงสนอืนเลยสนุงสนื น, น, น, น, นไม่ต้อดูนะครับตอนนั้นอนะ่ะแต่ดีในไหยรูป ก, ก็เปลี่ยนวาระแหงแต่ก็ต้องทําอยู่แบบหมดชั่วโมงนะครับแล้วก็เขเ้งเรียนกันนะผมก็ทําผมไม่เคยรู้สึกว่าเสียเปรียบผ้าเลยนะจริงๆนะครับแล้วก็สามวันดีเสียศลธทําได้เราถือว่าเราเคารคกุ ม, มาจาราจานใช้แล้วก็ทำแล้วยินดีเต็มใจนะที่จะทําทเสียสนัลตัวผ้านะครับไม่รู้สึกว่าเสียเปรี่ยนแม้แต่นทดเดียจริงนะ ผ้านี่เอาเปรียบเรามั้ยให้แต่เนียนเท้าไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยนะครับจริงๆนะแม้แต่พอไปอยู่วัดช่างยิ่งกว่านี้เน่นหนักกว่าในต้องตื่นมาทําข้าวต้มนะครับตั้งแต่ตีสามนะไม่ใช่ธรรมดานะครับตื่นมาทําข้าวต้มเนี่ยมาต้มข้าวต้มมาถวายให้ผ้าในทั้งวันฉันกันนะครับแต่ก็เป็นการเปลี่ยนวาระกันนะแต่ละวันแต่ละวั น, นครับแต่ก็ต้องหมุนเวียนกันเลื่อนอาทิตย์หนึ่งครับต้องทำตื่นตั้งแต่ตีสามมานั่ข้าวต้ม บางวันอ่ะถ้าเวลาหน้าฝนน้ำฝนตกหนังสมัยเขาจะตกหนังนะครับฝนตกหนังหนักนะตีเช้าเราก็ต้องถือโล่งนะครกลางโล่งมานะพวกมาทำข้อต้องที่ลองฟัวนะครับติดกับลองฟัวก็อยู่ไก<ร>ลเงินติต้องเดินนะครับต้องเสียสนาหมดเลยนะแต่ผมทำอย่างมีความสุขมากนะครับเพราะผมรูร้สึกว่าทำนั่นเป็นประโยชน์แกสุรุลงนะได้ช่วยคนกําลังหิวหิวมีความทุกข์ใช่ไหมจะได้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก พระวิสูทธิสงฆ์สำเนตที่อยู่ในบ้านนี้ผมท้าวมัมีความสุขมากนะตอนอยู่วัดท่างนะรัไม่ก็รู้สึกว่าเสียเปรียกเลยไอ้ท่านี้เอาเปียกแล้ววะแค่ดำเนินต้องเข้าต้อมที่าไม่เคมีความรู้สึกอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันจะเข้าต้มอย่างเดียวน้ําลาหน้านนี้ก็ทําเองไม่มีโยมมาทําให้อย่างนี้หรือปลาหน้าปาหน้าเองทํำเองครับน้ำมะม่วงน้ำอะไรก็แล้วแต่เล่นดูการโยมเขาจะเอาผลไม้มาถวายใช่ไหมทําเองเสิร์ฟเองถวายเองนะครับ แล้วยังร้างแก้วนะให้ผ้า อ, อีกนะนะครับเวลาร้านแก้วนะไม่กูมาจานสองแก้วแก้วสองแก้วเนี่ยมันเล็กน้อยนะครับที่ผมอยู่ก็ล้านเป็นนั่นนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นรังเลยก็ <c oughs> <c oughs> เนนนี่แหละนะนะครับแต่ไม่คยุกถึงว่าเสียเปรียบนะเ <c oughs> พราะว่าเป็นเนนทีได้เปียบเหมือนกันนะได้เล่การปลูกฝังแลการเสียสละเยอะ น, นะคร <c oughs> ับเพราะนั้นจะไม่รู้สึกว่าเสียเปรียบนะ <c oughs> ทํำอะไรก็ทำได้ก็ไม่เดือดร้อนเลยไนครับ ถึงบรุรีคนอื่นเขาไม่ทํำไหมแต่เราเห็นหเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็เชิญชวนคนอื่นทำนะครับเนี่ยน่าจริงต้องต้องปลุกฝังเรื่องนี้นะครับคนนี้ได้รู้จักเสียสนยนะานกลับไปครับต่อไปูนแกงห่วกนะทำไมไมครับอัปปะหลอนะอั น, นไม่ใช่อัปปะหลอ อัปปโหลเนี่ยหมาถึงการบอกล่าบอกเล่าแจ้งผสมสราบว่าเวลาจะทำอะไรกันอัปปะโหลถ้าอัปปโหลทางเราหมายถึงการแต่งตั้งสมมุติขึ้นมาใช่ไหมนั่นนะแต่นี่อัปปโหล ก, การบอกเล่าแจ้งผสมสร้างว่าจะทําอะไรแล้วก็ถือตามมรติสงฆ์เป็นใหญ่นยโยมถ้าค้างคนหนึ่งก็คือไม่ผ่านมรติสงฆ์นะค้างหนึ่งคือไม่ผ่านต้องเห็นด้วยทั้งหมดเลยถ้าทุกคนเห็นด้วยเนี่ยนี่ก็แสดงว่า อ่าอย่างนั้วก็ทํากรรมนั้นได้ต่อไปนะครับเกี่ยวกับผลไม้ในวัดนะครับทีเนี้ยก็จะมีการขลุ่นนั้นต้นไม้ยกยกินอันหนครับต้นไม้มีผลเหล่าใดแม้ที่ปลูกไว้ในวัดนะครับเป็นของที่สงห่วงห้าย่อมได้การบรมรุ่มใช่ไหมสองข้อห่งห้านะครับ มันให้ใครทั่วไปไม่ได้นะก็ต้องมาแจกถ้าเขาทากันนะครับทิ้งสู่ทั้งหลายย่อมตีละครังแล้วแบ่งกันฉันเพรก็ถือว่ า, าเป็นของสองฆ์เหมือนกับอาหารที่เราต้องมาแจกกันนะครับเนี่ยนะใช้ทั่วถึงการตีตะครังแจกซึ่งผลไม้ทั้งหลายแห่งต้นไม้เหล่านั้นนะครับในต้นไม้เหล่านั้นไม่ควรทำอัปโภคกับนักรรไม่ควรทําปโภคกับนักรรมยังไงไม่ควรทำอัปโภคกันักกรรมว่าใครอยาฉันก็ฉันไปเลย เวลาไหนก็ได้โดยไม่ได้ไม่ต้องมาแจกกันนะก็อดี้ก็เป็นเรื่องชเลยไม่ทำปรุปรก น, นกรรมอย่างนี้นะครับพ่อเป็นต้นไม้ที่ประสงค์ดูแลแค่ไม่ให้การมันลุงอยู่แล้วก็อมาออกผลมานี่นะครับก็ต้องมาแบ่งแจกกันนะครับเป็นของสงหลา <c oughs> ส่วนต้นไม้มีผลเหล่านใดนะครับอันสงไม่นในห่วงห้านนะข้ใหญ่ช่างจะอะไรก็แล้วแต่สงไม่ในห่วงห้า น, นะครับในต้นไม้เหล่านั้นแหละควรทอาอรุปรก น, นกรรม ก็อภโรกนกรรมนั้นควรทำแม้ในโรงสลากโรงยาคูโรงพัดและที่ประชุมอื่นเนื่องสาธารณณ ะ, ะ น, นี้ได้นะอันหนึ่งในโรงโบสถก็ควรทําแท้เพราะสัพทะและบาลีสุทธิของพิสูทั้งหลายแม้ผู้ไม่ได้มาในโรงโบสถนะั้นอภิสูตรูปหนึ่งย่อมนํามาใช่ไหมถ้าเข้าไปในโบสถรือว่านบสถ์สักท็จโมกใช่ไหมครับคนที่ไม่ได้เข้ามาก็ต้องมีการนาฉัพทาเข้ามา เพราะทุกคนก็จะรับรู้กันนะจะเป็นมัสีของทุกค น, นครับเพราะเห็นนะั้นอภรณ ก, ก, กรรมนั้น่อกเป็นกรรมที่ชำระให้หมดจดดีก็แล้วเมื่อจะทำพึงทำอย่างนี้พิสุพุชลาพึงสุปการโดยอนุมัติของสองฆ์บ้านพันแตยังอิมัสมิวิหารอันโตสีมายะสังฆะสังตะกรรัง โมาาาระตจักปัตตะอังกูระปุผ า, าธลหาเทนิยานิอัติตังสาวพังอาคตาคต า, คตานพิขูนยถาสุขามปริพุณที่ตุงสังคศาสรุจติติสังคำขุนชามิท่านผู้เจริญข้าพเจ้าถาสมสงว่าสิ่งใดเป็นของสง ม, มีรากเปลือกใบหนอดอกและผลซึ่งควรผขฉันด้านเป็นต้นมีอยู่ภายในเข็งว่านนี้ การที่พิสูจน์ทั้งหลายที่มาแล้วมาแล้วบริโภคสิ่งทั้งปวงนั้นตามสบายชอบใจสงูนี่นะครับอับลงนี่เลยพระในรุปไหนมาก็ฉันได้ตางสบายเลยนะครับในการนะช้า เ, เที่ยเทีไม่ใช่เวลามีการนะครับก็พระในกับปิยามาฉันได้เลยไม่ต้องมาตีหลายครั้งมาแจกอะไรกันอย่างนี่นะครับเนี่ยไม่ใช่ผลไามา้อย่างเดียวนะรากเปือกไปหน่อผลดอกผลทั้งหมดเลยนะ เนี่ยฉันได้ตามสบายเลยแม้ครั้งที่สามก็ถามสามครั้งนะครับเ <c oughs> มื่อได้กระโหลกไปแล้วควรถือเอาน้อยหรือมากเท่าที่เหยีเพียงพอในการบริโภคขอตตนของตรงนะครับที่ตัวใหญ่ฉันได้ใช่ไหมถ่าไหลก็เอาไปเต็มที่นะครับที่ตัวใหญ่ฉันได้นะไม่ได้ขอเป็นกระสอบมิหน่ำไม่ได้นะครับจะเอาไปขาย <c oughs> <c oughs> ขอเป็นที่กระสอบเลยไม่ได้หนะ้า ใ้่พอสอิมอ่มแต่ละคนแต่ละคนนั่นนะครับจะถือเอาจนเกินประมาณไม่ได้นะครับอัปโลกนักกรรมนั้นอันพิสุ4สี่ห้ารูปทำแล้วนะครับก็เป็นอันใช้ได้แท้มีพระสี่ห้ารูปก็ทำอะไรก็ทำขึ้นกันใช้ได้เป็นอนสง์ทำไว้ทีเดียวนะครับเพราะครอบองสงใช่ไหมในวัดใจมีพิสุอยู่สองารูปไม่ครอบองสงนะครับ เขก็ทําอัปโะโอย่างนี้ได้นะอัปรโรกานกรรมแม้ที่พิสูจน์เหล่านั้นนั่งทาไว้แล้วย่อมเป็นเช่นกับอัปโรกานกรรมที่สง์ทําแล้วเหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้กรรมสําเร็จเหมือนกันนะครับนี่แปลกนะดูอัปโรกานกรรมเนี่ยแม้ไม่ค่อยองสองเนี่ยก็ยังทําได้ครับในเรื่องพวกนี้นะเมื่อจะทําพิสูจนผู้ชราพึงส ป, ประกาาด้วยอนำนาจของพิสูจน์ทั้งหลายว่า พันเตยังมัสมิวิหารเออันโตสีมายะสังสังฆาสังตกรรมมูลาตจัปปตตาอังคุระขุภะพราคาธนียานิอัติตังสัมพังอาคตาคตานังพิขูนังยะถาสุขังปริพุนชิตตงอายสมันตานางุจตติติอายสัมมเตปุจฉามิทายมุจเลนข้าพเจ้าถามทั้งหลายว่า สิ่งใดเป็นของสง ม, มีร่ามเปลือกใบหน่อดอกและผลซึ่งควรขบฉันได้เป็นต้นมีอยู่ภายในภายในเขตวัดนี้การที่พิสูจนทั้งหลายที่มาแล้วมาแล้วบริโภคสิ่งทั้งพวงนั้นตามสบายชอบใจแกท่านทั้งหลายหรือ <c oughs> อันหนึ่งในวัดใดมีพิสูตรูปเดียวอา้าวอยู่รูปเดียว้าทีนี้จะอัปะโลงย่างไงล่ะก็ไม่อัปโลแต่มีวิธีทำนะครับ กติการวัดแม้ที่พิสูจน์นั้นผู้นั่งกระทำผการหรือผักกิจแล้วการทำไวในวันอุโบสถนะครับย่อมเป็นเช่นกับอัปโรกนักรรมที่โสกระทําแล้วเหมือนกันถ้าเขาสามารถทําได้แต่ไม่เรียกว่าอัปโรกนักรรมเรียกว่าการทํากติการวัดเฉยนะครับทําได้เห่าอนกันก็อยู่รูปเดียวก็เป็นการทำผักกิจผการนะก็ไปปางกวางลงโบสถ์เตรียมนนําใช้ปูนสันน้ก็ทําคนเดียวอยู่คนเดียวนะครับ นะนี่แหละที น, นี้ครับคําว่าในวันในกะ่อนใช่ไหมความว่าในวันอุโบสถเป็นพีนิพพานะเท่านั้นนะครับแม้จะทําในวันใดวันหนึ่งนะที่ไม่ใช่วันอุโบสถก็เป็นอันได้ทําไว้ดีแล้วทีเดียวเมื่อจะทําพึงตั้งกติกาอย่างนี้ว่ายังอิมัสมิงมิหาเดอันโตสีมายะสังฆสันตกัง มูลตจากรปตะอังกุระขุภะพระาชานิยานิอัติตังสัมพังอาคตาคตานงพิกขูนงยะถาสุขังปริพุนชิตุมไมหังรุจติสิ่งใดเป็นของสองมีรากเผลือกใบหน่อดอกและผลซึ่งควรขบฉันได้เป็นต้้นมีอยู่ภายในเขตวัน น, นี้การที่พิษุทั้งหยที่มาแล้วมาแล้วบริพองสิ่งทั้งปวงตามสมาชอบใจแกเราอืครับ ทำปฏิการนี้เองนะได้นะครับถือว่าเป็นการทำแล้วดีก็เมื่อจะทําปฏิการวันนั้นแม้ทําตามคราวที่ต้นไม้มีผลเวลาต้นไม้ออกผลใช่ไหมแล้วก็ทําทีนึงนะครับอันนี้ก็ได้แม้กำหนดทําอย่างนี้ว่าสี่เดือนหกเดือนหนึ่งปีก็ต่ากําหนดระยะเวลาปฏิการวันนี้เราจะทําแค่นี้นะหกเดือนหรือแค่หนึ่งปีเร็จแล้วก็จะยกเลิก็ได้เขาเรียกว่าทําแบบมีกําหนดไง แม้ไม่กำหนก็ตามควรทำนะนะครับแบบไม่กำหนดเวลาเลยนะทำไปเลยนะครับตลอดไปก็มาฉันกันได้นะในคาที่กําหนดนะครับพึงบริพโลกนาที่กําหนดไว้แล้วทําใหม่พอหมอมเขตก็ออกมาปะหลงมาทำคนใหม่ในคาที่ไม่ได้กําหนดนะครับควรเพียงการที่ต้นไม้หมาอย่างทรงก็ควรฉันได้เรื่อยๆนะต่างเท่าที่ต้นไม้เหล่านั้นที่ทําประหลงไว้นะครับยังมีอยู่ ต้นไม้เหล่าอื่นแม้ใดที่เพาะด้วยพืชทั้งหลายเห็นต้นไม้เหล่านั้นนะครับมันก็าผลเอาหน่ออะไรของต้นไม้เหล่านั้นมาปลูกใช่ไหมกติกาที่ทําเดิมนั่นแหลใช้สำหรับต้นไม้เหล่านั้นด้วยไม่ต้องตั้งกติกาใหม่นะรัเพราะแม้ต้นไม้ใหม่จะปลูกขึ้นมามันก็เป็นพืชเป็นพ่อพันธุ์ของต้นไม้เก่านะก็ถือว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องทำกติกาใหม่ก็ถ้าว่าเป็นต้นไม้ลูกนะ นะครลูกไม้เขาจะเรียกว่าพันไม้กล้าไม้ใช่ไหมที่พ่อปลูกในวัดอื่นจากวัดที่ต้นไม้แม่ตั้งอยู่แปลต้นไม้มันจากที่อื่นวัดอื่นนะครับหรือคงจากที่อื่นที่ไหนก็แล้วแต่นะมั้นมเอามาจากต้นไม้แม่นั้นนะครับต้นไม้ลูกนะั้นถูกปลูกลงในวัดใดใช่ไหมสองในวัดนะั้นเท่านั้นเป็นเจ้าของต้นไม้ลูกเหล่านั้นนะครับมันมากระติกาไม่ได้ข้าววัดไปด้วยนะ ว่าวันไครวันคนนั้นนะครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ก็วันนี้ก็ต้องทํากติกาของเขาเองนะครับอันนี้ <c oughs> แม้ต้นไมเหล่าใดอันใดใครนําพืชมาจากที่อื่นนะครับ <c oughs> อ๋ออมรินนี้ก็พูดว่านํามาจากวัด น, นี้ทํำกติการแล้วไปว่าอื่นใช่ไหม <c oughs> วัดอื่งก็ต้องตั้งกติการแล้วนะครับเพราะว่าวัดไหนวัดคนนั้นหรือว่านํามาจากที่อยู่นเลยปลุกหลงที่หลังนะครับที่หลังจากกติกานะ ในวัดดั้งเดิมที่เคยทํากติกาเพื่อให้บริพกอได้ตาสบายไว้ก่อนแล้วเจ้ต้นไม้เหล่านะั้นต้องทํากติกาอย่างอื่นอะทํากติกาอาื่นเนี่ยอธิบายว่าทํากติกาเป็นของส่วนบุคคลของผู้ปลูกนะครับถ้าเป็นต้นไมเ้เขาไม่ได้ถวายสงต้นไม้ส่วนตัวนี่นะมันก็เป็นส่วนตัวของคนั้นนะเราแต่ถ้าจะปลูกต้นไม้เพื่อเอาเอาผลไม่ได้ใช่ไหม ปลูกเพื่อเป็นร่มเป็นเงานะครับแค่นี้คุยกับน้องภาคนะครับจะปลูกต้นไม้เพื่อให้ออกดอกออกผลนนะันอย่างนี้ไม่ได้นอกจากว่าเราจะปลูกเอาร่มเงามันเกิด ม, มีผลขึ้นมาเองนั่นไม่เกี่ยวนะครับจุดประสงค์เราจะเอาร่มเงา น, นีครับต้นไม้นี่พ <c oughs> เพื่อให้ต้นไม้มีผลนั้นแหละแต่เราจะเอาร่มเงานี่ย <c oughs> ต้นไม้อะไรที่แบบมีผลแล้วก็มีร่มเยอะๆเนะ่ย ต้นมะ่วงต้นขนุนอะไรเงี้ยเอาอา้ต้นไกตรงนี้หมายถึงว่าปลูกเองใช่ครับอ๋อข้า้ากับเบ้ยวหัวหาก็ได้มันอ๋อกับเ้ยหวหางไม่ือดเดยอดข้าเข้าดเบียวหวหางนะเ่าไปนะครับเมื่อทำกติการแล้วต้นไม้เหล่านั้น ย่อตั้งอยู่ในถาเป็นของส่วนบุคคลของผู้ที่ปลูกก็ปลูกเองใช่ไหมเขาไม่ถาวายตนนะควรบริโภคผลเป็นต้นตากระบายนะครับแต่ถ้าว่าพืชสูตเท่างหลายในวันด้างเดิมนี้ร้องโอกาสนั้นนั้นนะครับอันนี้ต้นนู้นนะต้นไม้ใหม่นะครั บ, นนนนะนะรบทําบริเวณมาแล้วทำรูบํารุงอยู่นะครับมีการดูแลต้นไม้ในวันนั้นนะอันนี้ขนาดร้องบริเวณมาเลยนะครับทำรั้วร้องนะ การวัวการสัตว์อะไรเข้าไปกินทํทาร้ำใช่ไหยอันนี้มีการดูแลจากก็สงฆ์นะครับพิสูจทั้งหลายนะพิสูจน์เราได้ทำรูปบารุงต้นไม้เหล่านะั้นนะครับตั้งอยู่ในฐานเป็นของส่วนบุคคลแห่งพิสูจน์เรานะเพราะมันมีใครดูแลเนี่ยของสงฆ์ตามใช่ไหมเมียพวกนี้แหละไปดูแลบำรุงครับก็เป็นถือว่าเป็นของพิสูจน์เรานี้นะครับแต่ไม่ได้เป็นของส่วนตัวเด็กขาเลยนะ แต่เขามีสิทธิ์ที่จะไปกินผลหน้าตามสบายนะครับอวิสูรเราหยดย่อมไม่ได้เพื่อบริโภคแต่ทิ่สูรพูดทา น, นุรบํารุงเหล่านั้นต้องให้ส่วนที่สิบแก่สองนะครับเพราะว่าแบ่งเป็นสิบส่วนเขาได้ส่วนหนึ่งในสิบนะั้นแก่สองะครับเอาไปเลยเก้าส่วนที่เหลือและถึงบริโภคนะครับแม้วิสูรได้เอากิ่งไม้ล้อมรักษาวไว้กลางวัดแม้วิสูรนั้นก็ในนี้ อันนี้หมายถึงว่าต้นม้ที่สูงสงม่ได้หวงห้ามแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นี่นะครับไม่มีใครดูแลไม่ได้ห่วงห้ามินะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ไนดะ้แต่ถ้าสงดูแลสงจะหวงห้ามจะดูแลมาแบ่งแจกกั น, นอย่างนี้นะครับก็จะทำอย่างนี้ไม่ไนดะ้ในกรณีดังกล่าวนี้หมายถึงโอกาสที่เมื่อมันมีใครรักษานะผลไม้น้อยใหญ่และต้นม้จะเสียหายใช่ไหมนะครับกติกาสงย่อมไม่เป็นไปในโอกาสเช่นนี้ เพราะว่าไม่มีใครรักษาส่วนพิสูรเหล่าใดให้พเพาะเมล็ดของต้นไม้ด้วยวิธีอันชอบแล้วอันชอบด้วยวิในนะครับแล้วความรู้บำรุงตั้งแต่แรกพิสูรเหล่านั้นต้องให้ส่วนที่สิบแก่สองนะครับปูกให้ใครสงสัยต้องให้ส่งนะครับพิสูจนตัวนะแบบนี้ก็ปลูกในว่านแต่ของสงของว่านนะครับก็ต้องแบ่งส่วนที่สงอยู่ดีแหละแล้วจึงบริโภคเช่นกันนะครับอืม ด้วยความดีใจว่าพระเถระมาแล้วสามเณรทั้งหลายจึงนําผลไม้น้อยใหญ่มาถวายพิสุผู้ควรย่อมย่องโดยศีหนสาศรัเป็นต้นซึ่งไปในวัดเก่าแก่นะครับถ้าว่าในการครั้งนั้นพิสุผู้เป็นผู้สู่ทรงปริยติธรรมทั้งปวงอยู่ในวัดนั้นพิสุนั้นพึงบริโภคโดยไม่ต้องมีความเงยเกียรติด้วยคิดว่าในวันนี้จะมีกติกาที่ทําไว้ย่างยืนเป็นแน่ ไม่ว่ามีวันไหนเป็นวัดเก่าแก่มีพิสูจน์คู่เป็นผู้ถูอทรงปริยัตอยู่ใช่ไหมและอยู่ดีๆเราไปวันนั้นน่ะมีผู้สามเณรไปเก็บผลมะหางล่างมาในวัดเอามาถวายนะครับไม่ใช่ว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะก็มาฉันได้เลยโดยเข้าใจว่ า, าต้องทํากติกาไปแล้วเนี่ยนอนนะไมใ่ใครมาใครมาก็ให้ฉันได้ใช่ไหมครับถ้าพิสูจน์เป็นผู้ถูทรงปริยัตอยู่ท่านก็จะรู้ใช่ไหมว่าคนทํากติกาเพื่อสะดว น่ น, น, นังวลผลไม้น้อยใหญ่ในวัดย่อมควรแม้แก่ทีพิจาหลายพูดถึงปิตาปาติจักทุดงคือไม่ยาวทุงดงให้เสียนะครับไม่เสียทุดงท่านก็ฉันผลไม้เหล่านั้นได้ในก็ผลไม้ใส่บาให้ท่านถวายท่านทาก็ฉันได้นะครับอันนี้นีนนนะ่ขออีกนิดหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งให้จบตรงนี้นะครับสมณเณรช่งางไม้ถวายผลไม้น้อยใหญ่เป็นอันมากแก่อาจารย์ฤาษีประชาของตน ที่สูล่เราอื่นเมื่อไม่ได้ย่อมตีเตียงคือต้นไม้ที่ทํำกติการกันว่าใครจะฉันก็ได้ตามสบายใช่ไหมทีนี้พระจะไปเด็ดมาเองไม่ได้น่าเป็นอาณบัตใช่ไหมครับเช้านี้นก็ไปเด็ดไปเก็บมานะครับเยอะเลยนะแต่มาถวายแตงประชาจากของตอนเท่านั้นแหละนะครับไม่ถวาย้าะเราอื่นนะครับพระที่ไม่ได้กินฉันก็บ่นสิบ่นนะครับตีเตียงอะไรจะมาไม่เอามาให้เราบ้างต้นไม้มันก็อยู่ในวันไม่ใช่หรอ อย่างนี่นะมันก็อของสองไม่ใช่หรอกแต่ไม่ไมีใครดูแลนะครับมันทําำกติการกันแล้วเนี่ยจะมาตีเตียงไม่ได้นะเมื่อไม่ได้ย่อมตีเตียนการตีเตียนนั้นก็เป็นสกวาวการตีเตียงเท่านั้นนะครับไม่มีท่อแก่ผู้ที่เคี้ยวกินเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าทํำกติการกันแล้วทอถือเอาพอประมาณแก่การบริโภคของตนเท่านนะั้นก็พออิ่มนี่นนะแม้ที่สุดพูดติเตียนอ่ะก็สามารถถือเอา พอแกตัมาบริโภคได้เช่นกันนะครับก็ไปเ อ, เ, อเอาเอาเอาใจในดีๆก็แล้วกันให้ในกัน <c oughs> เอามาถวายตนเองบ้าง น, นะครับนี่นะนะครับอันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้นนพวพอประมาณผู้นี้คงจะจบนะครับเกี่ยวกเรื่องวรรมกรรมตรงนี้นะในขานนะ